นี่ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2538นับนเป็นครั้งที่เจดของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอภิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปัญญาสำหรับเอกสารที่จะใช้ประกอบในการบรรยายวันนี้ได้แก่เอกสารหมายเลขหกแบบ น, นี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอกราบเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธา a ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วแป บ, บเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านสาธุชนผู้ใครธรรมะปฏิบัติที่เคารพทั้งหลายยาตาปริญญาในครั้งนี้จะพูดถึงยาตาปริญญาในส่วนของวิปัสสนาญาณที่สองที่มีชื่อว่าปัจจยะปริหาญาณ ซึ่งเป็นอขอบเขต ส, สุดท้ายหรืออีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของยาตะปริญญาซึ่งกำหนดรู้ตามความจริงของสภาวะรมทำในขั้นพื้นฐานหรือในขั้นเบื้องต้นที่สุดก่อนที่จะขยับไปรู้ถึงขั้นตีระปริญญายาตะปริญญานั้นยานที่สองชื่อว่าปัจจะยปริกายานแปล ตามชื่ออย่างง่ายๆก็แปลว่ายานกำหนดรู้เหตุปัจจัยแะเหตุปัจจัยนี้ที่ก็หมายถึงเหตุปัจจัยได้แก่สิ่งที่ทำให้เกิดผลซึ่งหมายเอานามรูปที่เป็นผลทึ่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนี้ก็ได้ความว่าการกำหนดรู้ความจริงของนามรูปในส่วนลึกลงไปนั่นก็คือขยับ รู้ไปถึงนามรูปอีกส่วนหนึ่งคือ น, นามรูปบริเฉริญาาเนี่ยรู้ในส่วนของนามรูปแรกนามรูปแรกหรือนามรูปที่เป็นตัวหลักเบื้องตน้นว่านามรูปนั้นคืออะไรจับนามจากรูปได้แล้วก็แยกได้ด้วยว่านามมีอยู่จริงเป็นส่วนหนึ่งนามรูปมีอยู่จริงเป็นส่วนหนึ่งพอมาถึงญาณ น, นี้ก็รู้ถึงนามรูปอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับนามรูปหลักที่ตัวเองได้รู้แล้วหรือรู้นามรูปอื่นที่นามรูปหลักนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องและคำว่าเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นหมายถึงเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความเป็นเหตุเป็นผลพูดง่ายๆวิาญาณ น, นี้นะ่ะรู้เหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลในลักษณะของตักกะหรือรู้ได้อํานาจของตักกายาน<อ>คือความคิดในลักษณะการตรึกเอาแต่นี่ปเป็นเรื่องของภาวนายาน ที่ต่อเหตุต่อผลระหว่างอนัตตาหนึ่งกับอนัตตาหนึ่งคืออนัตตากับอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยดังที่เรารู้มันมีอยู่โดยความเป็นนามรูปและเพราะความเป็นอนัตตาเนี่ยที่มันเข้าใจลึกลงไปก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ได้ตัวของมันเองได้จะต้องเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยและตัวเองก็เป็นมีดานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยที่จะทําให้เกิดผลของตนของตนสื่อต่อไป ซึ่งในวันนี้เราจะเห็นถึงขอบเขตหรือความแยบยนต์หรือความหลายหลักของความเกี่ยวพันกันของนามส่วนหนึ่งกับนามอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะได้อธิบายโดยลาดับสืบต่อไปเนี่ยเราดูชื่อยานกันสักนิดหนึ่งยานที่สองที่ปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคท่านจะเรียกคือความจริงก็ในพระไยรปิดก เรียกเป็นชื่อหลายชื่อแล้วก็ปัจจยาปริฆายา น, นั่นก็เป็นชื่อหนึ่งาบางแห่งไม่ได้เรียกโดยชื่อนี้คืออย่างเช่นในที่ถือว่าเป็นตำราวิปัสสนาที่วิสุธทธิมักอ้างถึงคือไม่ใช่แค่อ้างธรรมดาเอาเป็นหลักในทางอธิบายาปฏิสัมพิธามักของมัชยบุตรท่านไม่ได้เรียกยานที่สองว่าปัจจยาปริหายาน ท่านเรียกว่าธรรมถีติยานซึ่งก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกันในพระไตรปิฎกนั้นหลายแห่งเรียกธรรมถีติยานหลายแห่งเนี่ยมากซะจนเรากี่เกียรตินับผมเยอะธรรมถีติยานก็เลยจะพูดถึงธรรมถีติยานก่อนที่จะมาพูดถึงปัจ ญ, ญาบริกายานคำว่าถีติในที่นี้แปลว่าเหตุท่านบอกชัดว่าแปลว่าเหตุ เรารู้กันโดยทั่วไปว่าถีติเนี่ยแปลว่าตั้งอยู่ในที่นี้หมายเอาสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งที่ตั้งก็คือที่อาศัยเหมือนพื้นดินเป็นที่ตั้งเป็นถิติของเรือนพื้นดินก็เป็นเป็นจะเรียกว่าคระถิติคือที่ตั้งของเรือนก็คือเป็นเหตุให้เกิดเรือนเป็นเหตุให้มีเรือนคือบ้านธรรมถิตินั้นเป็นเหตุ ตั้งอยู่หรือเป็นที่ตั้งอยู่ของสภาวธรรมจึิงใชจกรรมธรรมได้แก่นามรูปเหตุที่ทําให้เกิดนามรูปท่านจึงเรียกว่าธรรมทิฏฐิผู้ใดที่ปฏิบัติกรรมฐานไปจนกระทั่งรู้เหตุของนามรูปด้วยรู้ไปถึงเหตุของนามรูปเรียกความรู้ของผู้นั้นว่าธรรมทิฏฐิญาณคือญาณรู้เหตุญาณรู้ติ่ตั้ง เพราะฉะนั้นในหลายๆสูตรนะบางสูตรก็มีผู้มาถามถามพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเป็นสูตรหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการสอบอารมณ์กันระหวังพระสาวกกับพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นท่านสุสิมะได้มาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าธรรมัธยติยานกับนิพพานในยาณอันใดเกิดก่อนพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบในสูตรนั้นว่า ทาผมน่าจะขยักค่อยถามแต่บังเอิญ ล, ลั้งปากไปก็ต้องพูดไปเลยธรรมะถีติยานเกิดก่อนนิพพานนยานเกิดภายหลังคำว่านิพพานนยาณหมายถึงมรรคขยานและผลรยานนิพพานนยานแปล ว, ว่ารู้นิพพานนิพพาญนานรู้นิพพานเรียกนิพพานนยานนะฮะแต่ก็เป็นมีชื่อเรียกเป็นด้วยอํานาจอารมณ์ เป็นการเรียกยานทั้งสองนั้นส่วนธรรมถิติยานหมายเอายานที่สองแต่ในสูตรเนี่ยบางแห่งท่านเรียกยานเดียวแต่อนุโลมหมายถึงวิปัสนาญาณทั้งหมดเรียกว่าธรรมถิติยานคือยานรู้เหตุผลซึ่งในนั้นเมื่อพูดถึงว่ารู้เหตุผลก็แปลว่ารู้รูรู้นามเป็นคนละส่วนกัน แล้วก็รู้ไอ้ความที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันได้เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจสุขังนาตาแล้วก็แสดงถึงยานอื่นด้วยเช่นนิพิทายานว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรเบื่อหนายนะฮะเพราะนั้นยาณอื่นที่จะรู้สึกต่อนามรูปอย่างไรเนี่ยก็ต้องยืนอยู่บนความรู้นามรูปและเหตุผลของนามรูปเพราะเหตุหรือผลของนามรูปต่างก็เป็นอะไรได้วยกันทั้งคู่นามรูปด้วยกันทั้งคู่ ไม่มีสิ่งอื่นครับไม่มีสิ่งอื่นดังนั้นผมนพ่งเคยบอกเคยให้ข้อสังเกตแล้วก็เคยคุยกับพระ ก, กจาจารยาว่ า, าเป็นไปได้ไหมที่คนทำวิปัสนาญาณผ่านญาณสิบหกแล้วยังไม่เปลี่ยนาศาสนาเป็นไปไม่ได้ผมถามพระแล้วก็ ก็รู้ว่าพระนั้นถามานี้ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าต้องการเนยคือเรารั่วเราเข้าใจตรงกันในทางหลักผมก็บอกว่ายา ว, ว่าแต่ได้ยานสิบหกเลยแม้แต่ได้ยานที่สองเนี่ยพระองค์นั้นก็ท่านสุมต น, นันทโกแหละคุยกันเป็นปีมาแล้วนะอ่ยานที่สองเนี่ยเป็นยานที่คนเมื่อได้ยา น, นี้แล้วความเชื่อมั่นในลัทธิ เทวนิยมจะหลุดครับหลุดไปจากสํานึกทันทีเพราะอะไรเพราะว่าหลักลัทธิฝ่ายเทวนิยมเนี่ยอ่านี้ก็อธิบายนิดนึงถือว่าเป็นเรื่องนกไส้คุยกับลูกนี่เป็นคำพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีคนมาบอกว่าเอพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดส่อเสียดหรือเปล่าบางครั้งก็พูดถึงว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกแล้วบางบางคนก็มาบอกว่าเนี่ยที่าที่โกรธเจ้าสากยะเนี่ยเพราะว่า ตัวเองเคยไปในในราชจจกุลแล้วก็พอออกมาก็บังเอิญอก็วิดูดพภาแหละครับส่งคนไปก็ไปเห็นคุยหัวล่อต่อกซิกกันถึงตัวนะฮะก็โกรธก็มาอ้างกับพระพุทธเจ้า ว, ว่านี่เป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องโกรธก็ะผู้มีภาคก็ตรงตรัสว่านี่เปรียบเหมือนอ่าแม่นกไส้กับลูกนกไซ้ดีอยู่ในรังก็ต้องคุยถึงคนอื่นบ้างเป็นธรรมดา นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียคุณธรรมคือบางบุคคลบางสถานที่พูดได้นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถือว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดให้ฟังระวังพ่อนกไส้กับลูกนกไส้ใครเป็นลูกใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็แล้วแต่จะพูดกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะไปเที่ยวพูดได้ในที่อื่นๆที่ไม่มีคนอย่างพวกเราฟังนะนี่ก็ก็จําเป็นต้องพูดด้วยเป็นเรื่องจําเป็นต้องพูดด้วยในทางหลักของข้อเท็จจริงอา่า ก็หมายความว่ามันมีบทอันหนึ่งที่ท่านพยายามพรลนาเอาไว้ผมไม่ได้คัดมาใส่ในที่นี้นะคัดไม่ทันนะ่ะมันเยอะแต่ว่าจะประพูดให้ฟังว่าผู้ที่ไปเห็นญาณอย่างนี้ว่าตัวเราเองเนี่ยที่แท้มันก็ไม่ใช่อัตตาที่ตั้งต้นก็โดยความคิดอย่างพวกถือลัทธิเทวนิยมอย่างที่เป็นข่าวก็ผ่านหัวข่าวเมื่อคืนก็ดูดูข่าวผ่านดาวเทียมก็แปลก จริงไม่จริงยังไง ร, รู้ก็เห็นคนเอานมไปป้อนพระพิฆเนศนะฮะนี่หนังสือพิมพ์นี่ผมก็ยังต้องเป็นเหยื่อซื้อมาแล้วหนึ่งฉบับเห็นอีกฉบับไม่ทันซื้อเดี๋ยวกลับไปจะซื้อใหม่ <c oughs> ก็เพราะนั้นคนที่นับถือลัทธิอย่างนี้เขาก็ตั้งต้นว่าเขาเป็นอัตตานะฮะที่ถอดมาจากพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนน ะ, ะพระผู้เป็นเจ้าสลีคิดนี่สําคัญกับตัวเ อ, เองแต่แล้วก็พูดไงว่าผิดทั้งเหตุและผล ผิดทั้งเหตุได้ผลผลก็คือตัวเราเป็นผลเป็นอาจอาจตมันมีอาตมันเป็นสัตว์เป็นอย่างไรอย่างไรตามใจพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยก็มีฐานะเป็นปรมาจตมันญานหนึ่งกับยานสองเนี่ยครับขัดคอความคิดหลังนี้ก่อนเลยอ่ะกวาดล้างเรื่องความคิดอย่างฝ่ายเทวานิยมก่อนเบื้องต้นเลย ขั้นสูงเกินไปกว่านั้นนะเป็นการย้ําและตั้งหลุดเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นนี่คือในขั้นเหตุผลเนี่ยเริ่มคลายเคลื่อนแล้วจะจะไม่เชื่อหลักอนี้เพราะในนั้นท่านบอกว่าเราก็เป็นนามเป็นรูปแล้วก็เมื่อรู้อย่างนี้เห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงของตัวเองก็รู้ว่าคือเอาเป็นว่าเราถอยกลับไปตั้งต้นยานที่หนึ่งเราก็เป็นนามรูปใครใครก็เป็นนามรูป เทวดาก็เป็นนามรูปสัตว์ดิ่งฉันก็เป็นนามรูปสัตว์นรกเป็นนามรูปพระพรหมเป็นนามรูปเทวดาหกชั้นเป็นนามรูปเสมอกันได้ความเป็นนามรูปก็ถ้าได้ยานนี่หนึ่งแล้วก็หมดความตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องผู้มีอภินิหารคือไม่ได้เอาในแง่นั้นมาถ้าเอาอันนี้เอามาคิดแล้วก็หมดความตื่นเต้นก็นามรูปเหมือนกันใช่ไหมฮะ แต่ไอ้คำว่าหมดตื่นเต้นไม่ได้ไปส่งเสริมความยกตนข่มท่านหรือสีเสมอนะฮะมันมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยไอ้คนถืออันตานี่สิอกกับเป็นคนมีลักษณะอย่างอันแรงต่อมาก็เห็นเพศปัจจัยของนามรูปตัวเองก่อนว่าเราเกิดจากนามรูปอย่างไรอย่างไรโดยพิสดารก็นึกรู้ไปถึงบุคคลอื่นว่าแม้พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งก็เป็นนามรูปเหมือนเราก็ต้องเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนเราโดยแน่นอนโดยแน่นอนที่พูดอย่างย้าอย่างมั่นใจเนี่ยไม่ใช่พูดตามเหตุผลลขณะนี้เราฟังกันอย่างเหตุผลแต่ผู้ปฏิบัตินั้นเห็นกระแสอย่างชัดเจนที่มันไม่ใช่เชื่อได้หลักเหตุผลรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากเอาผลตั้งเสือสาวไปหาเหตุตอนหลังก็ จับเหตุและสาไว้หาผลแล้วก็มองไอ้สิ่งที่เป็นผลเบื้องต้นมองไปในรูปเหตุแล้วก็สิ่งที่เป็นเป็นผลของเหตุปัจจุบันก็มองในรูปผลแปลว่าทั้งรูปทั้งนามทุกอย่างนั้นมองเป็นรูปเหตุก็ได้มองเป็นรูปผลก็ได้เหมือนลูกโซ่นะมองขึ้นมองลงมองลงก็เป็นผลมองขึ้นก็เป็นเหตุมีแต่เหตุกับผลมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นและถ้าจะพูดแบบใส่ค่าลงไป ก็จะตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปหรือพูดใส่ความเป็นเหตุเป็นผลไปด้วยก็ตรัสว่าเราสอนออะไรล่ะทุกข์กับความดับทุกข์หรือมีแต่ทุกข์กัเหตุเกิด ข, ของทุกข์ไอของเราเนี่ยอยู่กันเฉยๆเนี่ยก็คือมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์พอพระพุทธเจ้ามาสอนก็สอนอย่างไม่เทแล้วเราอยู่กันเฉยๆนะคือสอน พอเป็นลูกของสองก็ทุกข์ชี้ให้เห็นตีฆ่าใหม่เราตีฆ่าเป็นอย่างหนึ่งว่านี่คือทุกข์แล้วก็ทรงแสดงปฏิปทาที่จะใ ห, ให้เกิดการดับทุกข์ของเราอยู่เฉยๆก็คือเราสร้างเหตุแห่งทุกข์ด้วยสําคัญว่าทุกข์เป็นสุขเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไมไก็คืออย่างนี้เพราะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นคนที่รู้อย่างนี้แล้วพระเจ้า ไม่อยู่ในไม่มีความหมายในแง่นี้นะเดี๋ยวจะไม่ว่าเราไปละลาบละล้วงร่วมเกินปีสาจเทวดาเราก็ยังเคารพปีสาจเทวดานับถือโดยให้คุณค่าด้วยจริยธรรมของบุคคลใช่ไหมฮะแล้วก็ให้คุณค่าด้วยจริยธรรมเก่าวคือหมายถึงความดีเก่าหรือวิบากใหม่แล้วแต่เกิดจากความดีเก่าเราก็มองออกว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเกิดความคิดที่ เหมาะสมกับกระแสะเหตุกระแสะผลหรือชั้นของกลุ่มเหตุกลุ่มผลของแต่ละคนเป็นอย่างนี้นี่ว่ากันอย่างหลักกว้างเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ยานนี้ได้ชื่อว่าปัจจะปริคหายานปัจจัยนั้นคือเหตุเกิดเอาความอย่างง่ายๆนะปัจจัยเป็นโดยทั่วไปก็ถือเป็นไวยพจน์ของคําว่าเหตุอีกคาหนึ่งคือเหตุเกิดปริคหนั้น เป็นอาการรู้ของอยานปริกะหะเนี่ยตามศัพ์แปลว่าถือเอารอบเวลาเราแปลแล้วก็แปลกันว่ากาหนดคือกําหนดรู้ปัญญาเข้าไปกาหนดตามรู้ตามความเป็นจริงเพราะนั้นปัจจะยะเป็นญาณวัตถุหรือเป็นอารมณ์ของปัญญายาณวัตถุนะก็คือเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นที่ตั้งของปัญญา เพราะการจะอบรมปัญญาให้เกิดหรือจะได้ปัญญานี้โดยไม่มีอารมณ์เนี่ยไม่ได้รู้เฉยๆแล้วไม่มีอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลของนามรูปสองส่วนสองกองสองฐานะเป็นอารมณ์ปัจจนยะนั้นจึงหมายถึงกองนามกองรูปที่เรารู้ในแง่ของความเป็นเหตุผลเรียกปัจจัยตัวเดียวแต่พอถึงความจริงมารู้ไปถึงอ่าผลของมันด้วย อันนั้นเป็นยาณวัตถุหรือเป็นอารมณ์ส่วนยานก็คือผู้รู้หรือตัวความรู้ที่เป็นสภาวะธรรมและความรู้นี้เกิดขึ้นในบุคคลใดกล่าวโดยบุคคลก็เป็นพระโยคาวจรผู้ได้ปฏิยป ร, ริกายาเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นจุลโสดาบันโดยบุคคลนะเลยต้องแก้ข่าวนิดหนึ่งพูดถึงตรงนี้ อ่าแก้ข่าวเนี่ยคือข่าวที่แล้วผิดไปหน่อยว่าได้ยาที่หนึ่งเป็นจุลโสดาบันความจริงในวิสุทธิมรรคเนี่ยที่อ้างคือวิสุทธิมรรคว่าจุลโสดาบันนั่นคือยาที่สองดังที่ผมได้คัดข้อความมาใส่ไว้ตรงอ่ประเด็นเรื่องความหมดจดแล้วนะฮะไม่ใช่ยาที่หนึ่งนั้นภาคปฏิบัติอ่าที่นับว่าเป็นจุลโสดาบัน หรือเตรียมโสดาบันหรือได้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติขั้นต้นคล้ายคลึงกับโสดาบันเนี่ยต้องได้ยานที่สองน ะ, ะ, ะเดี๋ยวจะว่าถ้ามีเวลาจะว่าให้วางว่าคล้ายคลึงกันยังไงนะและในภาคปริยัติรู้ปัจจัยาการถ้าเรียนอภิธรรมสังหา ก, ก็ถึงบริเเตที่แปดเพราะว่าปัจจายการนั้นกล่าวถึงนามรูปและเหตุปัจัยของนามรูปสอดคล้องกันพอดี ไม่ต้องจบก้าบริเขตนะได้ได้ไดแค่แปปริเชตก็เรียกว่าเป็นจุลศรบันขั้นเบื้องต้นแล้วเหมือนกันตรงที่ว่ารู้เหตุรู้ปัจจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยานนี้ถึงจะเรียกว่ารู้เหตุแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้ผล ต่างก็คือที่จะพูดอย่างนี้นะเป็นการเน้นความรู้ส่วนเพิ่มตามรู้ส่วนเพิ่มคือยานหนึ่งนะรู้ผลอยู่แล้วนามรูปแต่ไม่ได้คิดในเชิงความเป็นเหตุผลไม่ได้รู้ในเชิงความเป็นเหตุผลพอมารู้ในเชิงความเป็นเหตุผลเนี่ยหรือว่าความรู้อย่างเป็นเหตุคือพูดจริงๆต้องพูดถ้าพูดกันอย่างเอาจรนะิงๆเนี่ยต้องแปล ว, ว่ารู้เหตุผลความเป็นเหตุเป็นผลกันของนามรูปเรียกว่าปัตติยาปริฆายาน ันผมจึงได้สรุปว่ารู้ทั้งเหตุทั้งผลเหมือนอย่างที่ความทั้งหลายกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบังอัตักถาบัางเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ผลคือ น, นามรูปที่รู้ในยานที่หนึ่งทีนี้เหตุก็เป็นนามรูปที่รู้ในยานที่สองออนี่คือสาระของอยานนี้อธิบายต่อไปนิดนึงว่าได้แก่นามรูป เป็นผลด้วยและความรู้นะฮะตัวตัวรู้เนี่ยคือรู้นามรูปที่เป็นผลด้วยรู้นามรูปที่เป็นเหตุด้วยสองอย่างเป็นการรู้สองอย่างก็เราก็ย้ำกันมาแล้วว่าเหตุกับผลเป็นตัวสภาวะทำขณะเดียวกันอันเดียวกันได้หรือไม่นะฮะที่มีเรื่องลัคนาท่จตุกะ ปัจจาะลักษณะที่แสดงลักษณะแสดงกิจแล้วก็แสดงผลปรากฏแสดงเหตุและในนั้นได้บอกไว้ว่าลักษณะกับกิจเนี่ยเป็นตัวสภาวะธรรมคือตัวนามรูปนั้นผลปรากฏกับเหตุที่ทําให้เกิดเป็นตัวสภาวธรรมอื่นเหมือนตัวเรากับพ่อแม่ของเรา เราเป็นผลพ่อแม่เป็นเหตุคนละคนกันเราจะเป็นพ่อแม่ของตัวเราเองไม่ได้พ่อแม่จะเป็นลูกของตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีที่ไหนในโลกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาวธรรมก็เป็นอย่างนี้เป็นคนละส่วนกันก็รู้ความสัมพันธ์ปุรยาไงว่ารู้ความสัมพันธ์ไอ้เบื้องต้นทำไมรู้ความสงกันเหมือนเราไปเห็นคนเนี่ยไปถามว่าใครเป็นใครแล้วก็เห็นว่าคนนี่คนนู่นคนนู่นคนนู่นคนถ้าจะให้เดาเองวีเดาผิด ไปเจอบางคนเข้าแม่สวยกว่าลูกสาวกว่าลูกมีนะอย่างกับเรื่องเรื่องในนิยายที่ไปดาวผิดว่าเขาเขาเป็นพี่น้องกันก็มีใช่มนั่นก็เป็นพี่เป็นน้องกันความจริงเขาเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างนั้นก็มีแล้วก็บางคนก็ลามไปถึงยายอย่างที่ก็ถ่ายรูปมาในหนังสือจากต่างประเทศนะมองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพราะว่าหน้าตาห่างกันไม่มากนักอย่างนี้เราก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ไอ้เนี่ยความสับสนอย่างนี้คล้ายๆกับความสําคัญหมายในนามรูปของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดเป็นนามรูปกันอยู่แล้วเราไม่รู้นามรู้รูปด้วยสําคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราเป็นอะไรสิเป็นสมมุติหมดแล้วก็สําคัญเหตุผิดใช่ไหมเหตุว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างที่เราโทษกันอีลงตงหนังเนี่ย เวลาเราเกิดความคิดอย่างกิเลสก็คิดหาเหตุหาผลกันผิดอีหลงต้งนางเมื่อสําคัญผิดอย่างนี้เวลากระทําก็ทําผิดกิเลสมากกิเลสหยาบอัดตาแรงก็ทําผิดมากเราไม่ต้องดูอื่นไกลคนแค่นั่งรถบนถนนเนี่ยบางทีเรานะ่ยเห็นว่าไอ้นี่มันผิดท่านเรียกว่าเป็นพวกจิตใจหยาบมากนะตัวเองขับไม่ถูกต้องก็ไปเที่ยวด่าค่ะคือเรานั่งไอ้รถเนี่ย เออตัวจะเลี้ยวขวาแล้วก็ไอ้ไอเลนนั้นเนี่ยมันเลี้ยวเลี้ยวขวาไม่ได้ตัวอุตส่าห์ขับไปเพื่อใมันใกล้ไฟแดงที่สุดอะ่ะก็ขับไล่หลังไปรถเก๋งคันหน้าเขาเกิดจะไปหยุดตามเหตุที่ควรจะหยุดซึ่งก็ไม่ใช่กระทำหันไม่ทันใจตัวตัวก็ด่าใส่รถเก๋งที่อยู่ข้างหน้ายังไม่สมควรเลยตัวเองก็ขับนอกทางผิดแล้วก็ยังไปด่าเขาอีก ทางกระเป๋าทางคนขับลุมกันด่าบางเอิญคนขับแล้วก็ติดแอร์ก็เไเดือดร้อนแต่ก็โดนด่าแล้วเราก็เห็นว่าเออไอ้นี่ไม่ถูกถ้าเรามาเจอผู้โดยสารประจบเราก็อาจจะไปช่วยลุมกขาด่าเราก็นี่บางเอิญกิเลสเราสูงกว่าเราก็ได้แต่ส ง, งบแล้วก็ปองสองสังเวชเอาอย่างนี้ก็มีเนี่ยคือลักษณะของเขาคิดว่าเขาถูกจริงๆใช่ไหมคิดว่าถูกจริงๆคนอย่างค น, คนบางคนเป็นอย่างนี้ นี่เราพูดถึงกรณีของเหตุการณ์หยาบๆทีนี้ในชีวิตจริงเราเนี่ยเราตีความเหตุตีทรามไม่ถูกต้องโดยความไม่เด็ดผลเนี่ยเยอะแยะแล้วแต่ว่าใครจะยืนอยู่ตรงจุดไหนของระดับแห่งปัญญาในธรรมความผิดพลาดขาดเรื่องก็เป็นไปได้มากหรือน้อยไปตามระดับนั้นความทุกข์ความสุขในชีวิตก็แตกต่างกันไปได้เหตุนี้คงจะได้พูดกับเราว่าได้ยานนี้แล้วมั น, ม, นมันมันมีประโยชน์อะไร ในลักษณะของอพฤติกรรมอย่างในโลกธรรมดาเพราะว่าเราเองเราคงไม่ได้ไปอยู่กับยานนั้นตลอดแต่ผลได้จากยานนี้น่าจะทำให้ชีวิตป ก, กติของบุคคลนั้นเป็นอย่างไรว่าถึง <c oughs> ท่านอธิบายที่เรียกว่าเก็บข้อความท่านมาว่าโยคีค้นหาเหตุและ ปัดใจของนามและรูปนั้นดุจหมอเห็นโรคจึงค้นหาสมุดฐานของโรคนั้นและดุจบุรุษพบทารกนอนแบเบาะอยู่ในตรอกจึงลำพึงว่าลูกใครเนอเอคำว่าค้นหาหรือลำพึงในที่นี้หรือใช้คาพูดอื่นอีก็แล้วแต่ถึง บางทีแปลเป็นไทยแล้วคำพูดแปลเบาๆเหมือนคิดเอาความจริงตรงนี้น่ะไม่ใช่การคิดเอาอย่างหุนหันหุนหันยังไม่ใช่ภาวนาเนี่ยถ้าคิดเอาอย่างลึกอย่างนี้มันคิดไม่ได้เว้นแต่ว่าคิดกันแบบเป็นเรียนทฤษฎีแล้วคิดกันไปนเจอทฤษฎีว่าอะไรยังไงปฏิบไต่อเอาตามข้อมูลเบาแสทางปริยัต่นั่นเรื่องนะแต่ว่าคนที่ปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย มันไม่ใช่ดันตุลังคิดอย่างนั้นเมื่อความรู้เหตุรู้ผลชัดลึกขึ้นมันใจเนี่ยมันเริ่มจะชำเลืองนึกไปโดยอัตโนมัติเองว่าอะไรหนอเพราะอะไรหนอนะไม่ใช่การคิดแบบดันตุวรังแล้วก็ถึงตรงนั้นแล้วไม่คิดก็ไม่ได้มันจะต้องคิดและ โดยผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องหน้าที่ของเราในทางพยายามต้องเพิ่มมนสิการเรียกว่าสังเกตเหตุสังเกตผลเพิ่มด้วยแต่เพิ่มนิม่ต้องเพิ่มในลักษณะที่มันพอปบดีบ ด, ดีไม่ใช่เพิ่มแบบดันทุลัง เ, เรื่องนี้นะถึงว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยโดยหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ การใช้แรงความพยายามอย่างไม่ถึงจุดคืออย่างปริยัติหรืออย่างธรรมดาอย่างฝืนบังคับมาพูดย่ายๆนะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ทรงปฏิเสธการไม่พยายามเสียเลยนึกเลยดีน ะ, ะคำว่าพยายามอย่างบีบบังคับเนี่ยไอเ น, นี้ยเราถนัดแล้วถ้าไม่ระวังตัวหรือครูบาอาจารย์ไม่ จ .2 สอสอเราจะเจอพวกพยายามคือพอหลับตาก็จะเอาเลยครับเอานอน่นเอานี้บางคนจะเอาเอามากักเอาผลหรือเอาสิ่งที่ตัวเองตั้งผลไว้ว่าจะเอาอะไรจะรู้อะไรถ้าผลในทางความรู้ถามว่าเคยไหมถ้าท่านที่เป็นนักปฏิบัติเคยไหมหลับตาจ้องจะเอาแล้วก็พวกนี้นะพิสูจน์ไม่ยาก จะมีความผิดหวังรุนแรงเวลามาสอบอารมณ์ก็ดีอะไรก็ดีหรือในความรู้สึกตัวก็ดีจะรู้สึกมีความผิดหวังรุนแรงดูถูกตัวเองรุนแรงถ้าถึงบทไม่เอาก็เลิกกันเลยหันหลังกลับเลยไม่ทําเลยนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอันหนึ่งต้องสังเกตดูอันหนึ่งดังนั้นบางคนเนี่ยผ <c oughs> มยกตัวอย่างคนหนึ่งเขาเคยไปทํากรรมฐานที่หนึ่งก็บังเอิญตอนนั้นผมไปด้วยหลายปีมาแล้วนะ ทำเสร็จแล้วเขก็หายเราก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับเขาหรอกครับคุเคยแต่เพราะว่าเห็นหน้าบ้างนี่คนนี้ก็อยู่อยุราเป็นผู้หญิงมาเจออีกทีหนึ่งเมื่อผมปฏิบัติกรรมฐ า, านมาตั้งหลายครั้งเอออีกครั้งหนึ่งเขาก็ปลี่เข้ามาบอกอาจารย์ฉันเสียดายจริงๆเสียดายเวลาที่มันผ่านไปอาจารย์ทำมาที่นี่ยตั้งเยอะแยะกี่ครั้งกี่หนแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นดิฉันไม่ทําอีกเลยเกือบจะเข็ดไปแล้ว นี่ดีว่ายังแวะเวียนมาฟังมาอะไรบ้างยังยังกลับใจบ้างนะคือเกิดทัศนคติที่ไม่ลาแล้วมาได้แรงกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาการมันค่อยจางไปก็ลองใจอ่อนมาทำอีกคราวนี้ทำได้ผลก็นั่งเสียใจว่านีท่ทันเกือบแล้วเสียดายเวลาพายไปเสียดายคิดโอ้ว่ากันใหญ่โตเลยอะไรนี่เขาโทษนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับจานิสาจานิสาก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งตามที่เล่าผมฟังนะ ในลักษณะนหนึ่งก็อยากขนาดจะเล่าในบทบรรยายนั่นก็ได้แต่ว่าเคยเล่าๆกันในหมู่คณะพวกเราอันนี้ก็คล้ายๆกันคือบางทีเราแรงไปอ่ะก <c oughs> ็นี้เอาเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> คือคิดแล้วจะตั้งตั้งคล้ายๆว่าตั้งขนที่ตัวเองต้องการแล้วก็จะต้องทําไม่ได้พยายามแรง <c oughs> ก็เลยจบหลักสูตรแล้วไม่ได้อะไรสมปรารถนาผิดหวังเกลียดหมด ตั้งคนชวนตั้งอาจารย์สอนคือเกลียดในแไร ว, ว่าไม่มีคุณค่าไม่อยู่ในสายตาแล้วก็ไปทุลักทุเลกันสักพักหนึ่งตั้งประมาณสักสามปีไม่ต่ำกว่าสามปีมาใหม่คราวนี้ได้ผลถึงมาบนอย่างนี้ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมเจอคนอย่างนี้เป็นจำนวนมากครับเจอเป็นอันมากเลยแล้วก็เขาเรียกว่าวิริยะแลม ใช่ไวิริยะแรงที่พวกนี้ทําไมถึงแรงเหตุวิริยะแรงเนี่ยมันมีสาเหตุผิดก็มีถูกก็มีไอเหตุผิดเหตุถูกแต่วิริยะนั้นมันแรงแล้วมันกัดการโกงคุณอย่างปัญญาก็ทําให้การปฏิบัติธรรมเกิดความรุ่มร้อนขึ้นถึงท่านโสนะโกริวิสานะถึงขนาดบวช ด, ด้วยสตาขนาดไหนคนหนุ่มต้งเยอะแยะฟังธรรมต้องเป็น หลายหลายพันมาฟังธรรมพระเจ้าพิวิษณ์ส่สงมาฟังธรรมเสร็จแล้วก็บรรลุบ้างมับรรลุบ้างแต่ไม่มีใครคิดบวชสักคนโกริวิษา์เลื่อมใสรอเวลาจนคนอื่นไปหมดแล้วก็ขอบวชบวช ด, ด้วยศรัทธาอย่างยิ่งลูกเศรษฐีมีเงินแปดเล่มแปดสิบเล่มเกรียนบวชเสร็จแล้วทำกรรมฐานยังไม่ไดไลาเลยครับผมว่าสักเอาเป็นว่าอย่างเก่งก็สักสองอาทิตย์ผลเป็นไง ไม่บรรลุไม่บรรลุแล้ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่แค่ใช่แค่นั้นนะคิดสึกตัดใจคิดจะสึกเลยถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ามาดูแลคงสึกไปแล้วแล้วคงไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หลังจากที่พุทธเจ้ามาโปรดเนี่ยเนี่ยเรื่องที่เรา่านะ่ะเปไ็นเป็นตลกเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าสมัยก่อนสมัยนี้เห็นจะคลายกันเรื่องคนที่รู้ รูปรู้นามถึงจังหวะของมันเนี่ยเราเใช้ความเพียรให้เป็นไปในระยะจังหวะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาจะมุ่งผลอะไรถึงต้องตั้ ง, งเป้าหมายในส่วนที่เราทำได้แม้แนะนำใครก็เหมือนกันว่าเขาทำได้แค่ไหนที่มันเป็นเรื่องที่เราเห็นอย่างชนิดที่ประมาณได้ว่าผลอันนี้เราควรหวังก่อนและควรทำได้องค์นึงบอกว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่า คุณอย่าไปอธิษฐานว่าจเอายงเอาญาณนเลยอธิษฐานว่าขอให้คุณพอใจในการปฏิบัติอย่าให้เสียธรรมจันตาอย่าให้ศรัทธาสูญแล้วก็ขอให้มีพลังรับได้นะเดินจงกรมก็เดินไหวอย่างงี้นะนั่งสมาธิก็นั่งไหวถึงมันจะลําบากยังไงก็ให้มีพลังรับได้แล้วศรัทธาไม่ตกศรัทธาอยู่แล้วมีพลังรับได้เอาวันนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าก่อนไอ้เรื่องยงเรื่องยานค่อยๆขยับก็เรียกว่าหวังสองระยะ ระยะที่เรียกว่าต้องต้องเดี๋ยวนี้ไม่กินไม่ได้ต้องเอาอันนี้ก่อนแล้วมันมีทางเป็นไปได้ทั้งจําเป็นและเป็นไปได้แล้วก็อีกส่วนก็คือระยะไกลมันเมื่อไหลเราไม่ต้องไปคาดกัรณก็ค่อยๆขยับไปเพราะฉะนั้นพอมาถึงยานสองเนี่ยพอชำระเลืองตั้งมนสิยการไม่ไม่มนิการก็ไม่ได้นะต้องพยายามตั้งมนิการก็จะเห็นมันก็จะค่อยๆแสดงตัวให้ปรากฏในยานเราก็จะเห็น พันนั้นอันนี้จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ทุกระยะเพิ่มความพยายามทุกระยะผมนึงบอกว่าหรือบอกกับตัวเองด้วยว่าทํากรรมฐานก็เหมือนเลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงลูกอ่าเราจะให้ลูกตั้งไข่ลูกแร้ตั้งไข่จะหัดเดินเราก็อยากให้เด็กเดินได้ไอ้ไม่เอาเด็กให้ขึ้นมาหัดตั้งไข่มาจูงมือให้เดิน เด็กมันก็อาจจะเดินได้ช้าใช่ไหมต้องหัดหัดกินข้าวอะไรเหมือนกันแต่ถามว่าที่เราจูงเด็กเดินเนี่ยเราคาดผลไว้ในใจเมว่อ พ, า ะ, พาะจูงปั๊บต้องวิ่งเลยเลยคิดอย่างนั้นไหมหวังมีพ่อแม่คนไหนเคยคิดเคยหวังอย่างนั้นเราไม่หวังอย่างนั้นเพราะเราไม่หวังอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่โกรธเด็กไม่โกรธตัวเอง แล้วก็ไม่ละความพยายามรู้ว่าต้องทําต่อๆไปรู้ว่าไอ้ตอนนี้จูงเขาเดินได้หนึ่งเก้าเขาล้มอา้าวไม่เป็นไรเราได้จูงแล้วเราไปจูงให้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จูงตัวเองเลี้ยงลูกคือกรรมฐานของเราตัวเองด้วยอาการอย่างนี้พอไปถึงจุดจะกําหนดสิ่งเหล่าเนี้ยก็จะกําหนดแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ถ้าเราตั้งเจตนา ได้ละเอียดแยบยน์ก็จะเห็นได้อย่างละเอียดแยบยนต์อะตรงนี้นะถ้าถามผมก่อนว่าคนเห็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยเห็นเท่ากันเปรียบไหมครบทั่วเหมือนกันหมดไหมผมก็ตอบไดยไม่ไม่เนี่ยหมายถึงว่าไม่โดยอารมณ์แต่เหมือนกันโดยหนโดยในไอ้สองคำเนี่ยเป็นคำสำคัญของ ความรู้ทางภาวนาญาณโดยอารมณ์เนี่ยหมายก็ว่าคือไอ้คาว่าโดยอารมณ์เนี่ยคือเราสามารถเรียนรู้หลักหลักใหญ่ไว้ได้เนี่ยคนทำกรรมาฐานถึงญาณ น, นี้จะได้หลักใหญ่เหมือนกันแต่การจะไปสอดส่องเห็นอะไรเนี่ยอาจจะไม่ท่่นทีเท่ากันตามกระแสะเหตุปัจจัยเช่นในทางเชิงปริยัติและล่ามเรียนมาแต่ตรงนี้ท่านบอกไว้ด้วยไม่ใช่ผมพูดเองก็ดี หรืออำนาจของสติปัญญาสัมัญชัญญาของคนว่าเป็นคนพูดง่ายว่าเป็นคนมีดุลพินิษฐมีการสังเกต ด, ดีแค่ไหนเป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างนี้นะพอมาถึงกรรมฐานเข้าลักษณะอันก็มาก็ทําให้เราเนี่ยสอดส่องได้แต่ว่าอหลักเนี่ยจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เห็นไม่ได้ละเอียดจับหลักได้แต่ว่าไม่ได้อารมณ์โดยทั้งหมดโดยกว้างขวา ง, วางมาฟัง หรือไปคุยกับคนที่เขาได้อารมณ์กว้างขวางขัดคอกันไหมครับไม่ขัดมาฟังบรรยายอย่างนี้สอดคล้องมาตัวเองมีความเออเหมือนกับเราเราก็เห็นด้วยตรงกับเราตรงกับทีตบ่ตรงกับความเห็นของตัวพูดตานนี้นะตรงกับความร้องอ๋อแล้วก็ถ้าไปหยิบพระไตรปิฎกอ่านหยิบตำราวิปัสสนากรรมฐานอ่านมันทะลุปลุกปลง อย่างอัศจรรย์กลายเป็นของสนุกเป็นของเข้าใจได้ซึ่งผิดกรก่อนที่จะทาทางนี้เพราะฉะนั้นถึงว่าการฟังเรื่องวิปัสสนาเนี่ยถ้าคนสนใจเรื่องการปฏิบัติด้วยนะฟังแล้วก็สนุกถ้าคนฟังฟังแล้วสนุกคนพูดก็ปล่อยสนุกไปด้วยถ้าเรื่องนี้เอาไปพูดในบางที่เนี่ยพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีทางสนุกครับคนฟังไปสนุกเราก็หมดสนุกไปด้วย ถึงบางแข่งเนี่ยมาเราพูดในแสดงความในเชิงข้อมูลพูดแล้วคนงอยไม่รับเพราะว่าหะายเพราะเราเราติดมาจากบางที่ที่คนรับข้อเท็จจริงเขาไม่ต้องการเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปเอาเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกล็ดเ็ดอะไรอย่างนี้ไอเรื่องเ ก, เกล็ดมาพูดอย่างนี้เข้าเราก็ไม่รับอีกแหละมันต้องเกล็ดอยู่เกล็ดที่ติดอยู่ในทางหลักเราถึงจะรับอนนี้มันก็เป็นธรรมดา ซึ่งเราก็เป็นกันอย่างนี้ที่เราก็ก้าวขึ้นไปโดยลำดับเหมือนกันเนยเอาละ่ะเมื่อคำานึงนึกอย่างนี้ก็จะเห็นเหตุไอเห็นตรงไหนก่อนอยังไงผมได้ขึ้นประเด็นลาดับไปแล้วโดยลำดับต่อไปก็เอาความว่าตรงนี้เป็นความคิดที่ไม่ใช่จินตายานและมันจะมีสอดแทรกอยู่กับการทำวิปัสสนาซึ่งท่านถือว่า เป็นวิปัสนาญาณคิดอย่างวิปัสนึกอย่างที่ว่ากันนะอันหนึ่งคิดอย่างวิปัสนาอันหนึ่งคิดอย่างวิปัสนาถือเป็นปวนาญาณวิปัสนาญาณไม่ใช่ไม่คิดเล ย, เลยคิดอย่างมีขอบเขตความจริงพูดแล้วก็น่าจะมาเทียบกันเหมือนกันนะว่าไอ้สองอย่างต่างกันตรงไหนแต่ไม่พูดตอนเนี้ยทีนี้มาดูความรู้ขั้นแรกเลยเห็นรูปเห็นนามกันแรกอผมอยากจะย้อน ไปถึงนามรูปบริเฤท ย, ยานนิดหนึ่งว่าบังเอิญตรงนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดแล้วด้วยอะมันมันลืมมันเลยไปไงผมก็ไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจจะพูดเยอะว่าคนเห็นรูปเห็นนามสมมติเราทำํำวิปัสนาจับรูปจับนามให้ได้แยกรูปอย่างนามเดียวได้วาถามว่าเราเห็นรูปเห็นนามอะไรก่อน <c oughs> บอกไม่ได้นะมึงบอกไม่ได้อย่าบอกว่าเห็น เวทนาก่อนเห็นสัญญาก่อนเห็นจิตก่อนมันบอกไม่ได้เพราะว่าพอลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเห็นอะไรอันหนึ่งมันอาจจะไปเห็นตัวใดตัวหนึ่งก่อนแต่สิ่งที่พูดได้ก็คือว่าเราทำอยู่ในแบบหรือในมุกแบบไหนเราก็จะเห็นอยู่ในกรอบของมันแต่อลำดับนี่มันไม่แน่ถูกไหมฮะเช่นที่กาหนดเวทนาเวทนามีอมิตรเวทนาไม่มีอมิตรอุเบกขาโสมนัสโภมนัส ถามว่าเห็นอะไรก่อนท่านบังคับให้เห็นอะไรก่อ น, น, เ, น, ออนเปล่าเปล่าแล้วเราจะถูกบังคับไม่ถู บ, บังคับเราก็เห็นไปตามจังหวะของการเห็นของการปรากฏขึ้นของรูปนามนั้นนะฮะอัะนนี้ว่าถึงในขั้นนั้นทีนี้พร้อมการแยกรูปแยกนามเหมือนกันท่านถึงบอกเลยครับว่าบางคนนั้นแยกรูปแยกนามตัวหนึ่ง คือเห็นนามแล้วก็ไปเห็นลูกเห็นนามตัวนี้ไปเห็นลูกตัวนี้เห็นลูกตัวนี้ไปเห็นนามตัวนี้มันเอาแน่ไม่ได้บางคนถึงเห็นทางปัสตะบางคนถึงเห็นทางเวทนาถ้าถามว่ามันเพราะอะไรเนี่ยมันก็ตอบได้อย่างเราๆนะว่ามันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่การสั่งสมแล้วก็บับมันก็มีส่วนด้วยว่าบางทีเราทําบับเวทนานุปัสนาเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเวทนามันก็ มีโอกาสมากเพราะเราทําบ่อยๆสั่งสมบ่อยๆมากๆ ม, มันก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่ทํารูปยืนเดินนั่งนอนก็โอกาสที่จะเห็นรูปก่อน แ, แล้วแลกแยกรูปกันนามในสภาวะอย่างมันก็เป็นไปได้ไ ด, ได้มากได้ง่ายอันนี้ไม่แน่นอนฉันใดก็ฉันนั้นพอมาถึงการเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยเรากำหนดนามและรูปอันใดอยู่ แล้วก็คํานึงถึงเหตุของมันถามว่าเวลาเราคํานึงปุ๊บครั้งแรกเนี่ยมันต้องเห็นทันใจของเราเลยหรือคํานึงแล้วไม่เห็นก็มีเหมือนเรานั่งคิดอะไรอะไรเนี่ยบางทีก็คิดเหตุไดใช่ไหมละ่ะบางทีก็คิดไม่ออกถูกมอันนี่พูดถึงอย่างเราคิดธรรมดาเนี่ยว่าเพราะอะไรนะเอ๊ะเพราะอะไรน้ำท่วมนะเอ๊ะเพราะอะไรถึงรถมีเสียงดังแกรกๆกรนะเออเพราะอะไรถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะใช่ไหมฮะบางทีก็ผิดบางทีก็ถูก ทีก็คิดไม่ออกงั้นคนทําถึงยานนี้เนี่ยมันมีทั้งเริ่มตคิดไม่ออกมองไม่เห็นในเบื้องต้นเป็นอันมากแล้วก็ไอเห็นทีแรกแต่พอไปสืบเหตุลึกเอ๊ะไม่เห็นมีแล้วก็กําหนดไปกําหนดมามันก็ค่อยเห็นจนได้ขยับขยายเอานามนี้ตั้งหาเหตุหาผลของนามนี้เอารูปนี้ตั้งหาเหตุหาผลของนามนี้ ไปโดยลําดับโดยลำดั บ, ดดบถามว่าโดยลําดับเนี่ยมันอะไรที่ตั้งต้นได้ก่อนง่ายจากง่ายไปหายากใช่ไหมตามคุณธรรม น, นี่ก็อย่างเดียวกันต้องจากง่ายไปหายากไม่ใช่จากยากไปหาง่ายจากง่ายไปหายากเนี่ยเราพูดแทนถึงไอ้คำว่าง่ายเนี่ยมันไี้ง่ายหลายๆแบบแล้วก็อยากหลายๆแบบอย่าในนี้ถึงบอกว่า ในชั้นต้นเนระหว่างปัจจัยกับผลเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยผลก่อนนามรูปที่เป็นผลซึ่งเรารู้อยู่แล้วแยกรูปแยกนามกําหนดอยู่แล้วรู้ปัจจัยไม่รู้ปัจจัยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็พอมาถึงจุดนี้จึงพิจารณาหาเหตุแล้วก็ไปรู้เหตุภายหลังรู้เหตุภายหลังว่าอ๋อเหตุ นามรูปนี้มีเหตุมาจากอันนี้อันนี้เอาเลยหลักตัวนี้ก่อนทีนี้พอทำไปเนี่ยครับมันชัดไม่ไม่ใช่คำว่าสเปรตปะลำดับมันไม่ไม่ใช่อย่างที่เราทำใหม่ๆแล้วคือสามารถที่จะรู้ได้อย่างใจเลยทีเดียวแล้วครับถ้ากำหนดผลอยู่ต้องการจะรู้เหตุ รูเหตุแล้วถ้ากําหนดเหตุอยู่ต้องการจะรู้ผลของมันเป็นลูกของลูก โ, โซ่เนี่ยก็รู้ผลสืบต่อไปได้ด้วยแล้วก็นามเดียวนามหรือรูปหน่วยหนึ่งที่เรารู้อยู่ต้องการจะกําหนดสิ่งเดียวว่าโดยผลมันเป็นผลของใครก็รู้ในนามนั้นในฐานะเป็นผลเอาผลมาจากอะไรและ นามนี้ถ้านามนั้นนหะกำหนดรู้เป็นเหตุโดยความเป็นเหตุว่านามนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดปัดจจัยอะไรอย่างไรก็รู้นามนั้นโดยความเป็นเหตุก็เหมือนเราเนี่ยมมองในแง่ผลก็ได้คิดในแง่เหตุก็ได้ในแง่ผลก็ได้ใช่ไถามว่าไอ้ น, นี่มาตั้งแล้วเป็นยังไงเราพกคิดนถามในแง่ผลไอ้ในแง่เหตุมาตั้งแล้วเป็นยังไงถามว่า ทำไมถึงเอามาตั้งใครเอามาตั้งนี่ถามในแง่ในแง่เหตุสิ่งเดียวกันนี้นะว่าคิดในแง่เหตุในแง่ผลแล้วก็ในแง่ผลเหตุผลสืบต่ออันนี้นะ่ะหลักการบอกไว้ชัดเลยแล้วก็พูดแล้วก็ให้นึกถึงประสบการณ์ด้วยว่าไอ้เหตุผลในทางรู้เนี่ยท่านอธิบายเป็นลักษณะรู้ถึงขั้นเหตุผลในเชิงสืบต่อ ถามว่าสืบต่อไปถึงไหนมันมีถึงสืบต่ออยู่ในรัศมีชาตินี้แล้วก็สืบต่อไปในรัศมีข้ามชาติไอ้นี่แหละก็เป็นเรื่องใหญ่ในทางที่จะอธิบายว่าข้ามได้ยังไงแล้วก็ถ้าใครเคยปฏิบัติแล้วก็อาจจะชะ ง, งักว่าเอ๊ะเราไม่เห็นระลึกชาติได้แล้วทําไมอธิบายว่ารู้ข้ามชาติไปถึงชาติก่อนก็รู้ชาติหน้าก็รู้และสรุปว่ากี่ชาติกี่ชาติ ก็รู้รู้โดยในทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะรู้โดยในใครเข้าใจก็นั่นแหละในใจก็จะอธิบายอยู่แล้วแหละตรงนี้แหละครับผมถึงตั้งคำถามในใจในฐานะคนศึกษาตั้งข้อสังเกตว่ า, านามรูปปริเฉทยานกับบุพกับอภิญญา บางจำพวกคือบุพเพนิวาสารุสติญาณอนาคตังสยานจุตูปะปะฏิญาณทิพจักขุญาณยะถากรรมูปะฆาญาณต่างกันอย่างไรทั้งในส่วนศักยภาพของญาณอารมณ์ของญาณ น, นี่ว่ากันเอาละเอียดเลยนะแล้วก็ขนได้ของบุคคลทั้งสองนี้ของญาณทั้งสองนี้ที่ผมตั้งปัญหาถามตัวผมเองแล้วผมมีคำตอบไปแล้ว ท่านฟังที่ผมฟังที่ผมถามเนี่ยเข้าใจาใไหมน่าจะแหมไม่น่ามาดูถูกไม่น่ามาดูถูกเราขนาด น, นี้เลยอ่าาอันนี้ผมต้องย้ำว่าถ้าฟังเข้าใจมันถึงหน้าตอบนะถ้าฟังแล้วไม่ค่อยใจก็ต้องพูดกันให้เข้าใจอะ่ะนั่นถึงจะฟังแล้วรู้เรื่องว่าไอ้ที่ผมถามคืออะไรผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจกันตั้งนั้นนะนะผมมีคำตอบอยู่แล้ว เดี๋ยวจะเทียบให้ฟังเมื่อพูดถึงไอ้ความหมดจดที่ว่าสองอย่างนี้เออทำไมคนที่ได้จุตูดยธากรรมูเนี่ยจะสงเคราะห์เป็นอาทิตถิวิสุทธิได้หรือไม่นะและสองอย่างนี้ใครดีกว่ากันถ้าให้เราเลือกเ่าสองอย่างเยาวเอะไรและถ้ามีใครสองคนเขาได้คนนี้ได้อย่างคนนี้ได้อย่างเราจะเลือกนับถือใครเลื่อมใสใคร เราก็คงจะนึกตอบได้ลวงหน้าไว้แต่ยังเล่านะี้ยังไม่แน่อาจจะนับถือคนได้ยานสองแต่ว่าถ้าคนโลกโคๆทั่วๆไปแล้วก็วิ่งไปหาตาทิพูทิพกันหมดพวกยานสองไม่มีความหมายไม่อยู่ในสายตาของเขาเหรอกมาดูอาการอย่างรู้นี่คือสาระหลักของการ รู้ของยานที่สองว่ายานสองนะั้นมีอาการอย่างรู้อย่างไรนี่ผมเก็บข้อความมาหลักๆมานะก็เสียดายอยู่นิดเดียวไม่ทันอหยิบยกหลักฐานแบบตัดตอนมาอธิบายเป็นข้อๆๆไปไ ม, ไม่ทันไม่ทันก็จะอธิบายให้ฟังบางแห่งก็อาจจะต้องอ่านข้อความให้ฟังอประการที่หนึ่ง รู้ปัจจัยรองนี่เป็นภาษาของผมเองภาษาในคำภี์ท่านใช้คําว่าอุปธัมประกาปัจจัยก็ประหลาดเนี่ยคือที่จริงก็ไม่จะไม่ถือว่าประหลาดก็ได้ถือว่าเป็นหลักฐานคือในที่นี้ท่านใช้คําว่าปัจจัยเรียกอุปธรรมประกาเหตุ รู้ปัจจัยรองเอาว่าต้งรู้ปัจจัยรองก่อนแล้วก็รู้ปัจจัยหลักเรียกชนกาปัจจัยไอ้คําว่าชนกะเนี่ยถ้าพูดในกรอบของนานักธนิกะกัรมปัจจัยชนกะปัจจัยเรียกว่าชนกะกรรมแต่ว่าปัจจัยอื่นเนี่ยมันก็มีความสําคัญเย่นอารมณ์ปัจจัยอาหารปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะ มันก็จะมีความเป็นปัจจัยในกรอบของมันที่อส่วนหลักส่วนหลองอย่าไปนึกว่จะต้องเป็นชนกกรรมนะท่านเรียกชนะกาปัจจัยก็คือปัจจัยหลักปัจจัยรองหรือปัจจัยสิ่งที่ทําให้เกิดที่เรียกเหตุแล้วก็สิ่งที่อุปถัมเรียกปัจจัยสําหรับในที่นี้นะครับในที่นี้คือในที่ไหนในปฏิทัศนมิธามัก แล้วก็ในสัตธรรมประกาศนีที่หนึ่งแล้วก็ในวิสุทธิมักนักศึกษาภาษาระดับสูงนะเคยสนใจว่าไอ้คําว่าเหตุกับปัจจัยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เท่ากันส่วนหนึ่งใช้เท่ากันและเหตุและปัจจัยบางแห่งนั้นใช้ต่างกันเหตุเป็นปัจจัยหลักเหมือนมเมล็ดพืชปัจจัย เป็นปัจจัยรองเหมือนน้ําเหมือนแสงแดดเหมือนปุ๋ยนะเป็นตัวเสริม <c oughs> ก็ว่าอย่างนี้กัลย์บางกรณีพูดอย่างนี้นักภาษาเคยถามเอ๊ะ e, ตรงนี้ในคําคีพูดไว้ในที่ไหนผมเคยถูกถามว่าบังเอิญผมรู้ตอนนั้นผมก็บอกว่าอยู่ในวิสุทธิมรรคแต่ตอนนั้นก็ก็ชี้หน้าเขาไม่ได้ทำไมบอนสอยู่หน้านไหนไม่ได้แต่นี่คือที่มาในยานสองนะแล้วก็ในสัตธรรมประกาศนีทีนี่คือหลักฐานเพราะฉะนั้นในนี้น่ะ อ่านเป็นหลักฐานหน่อยก็ได้ท่านบอกว่าบทว่าเหตุนี่สัตธรรมมาประกาศนีว่านะอธิบายคําของพระสัตรีบุตรได้แก่ความเป็นชนกะกาปัจจัยใช้คํานี้เลยเหตุวาระและปฏิยวาระมาต่างกันในตรงนี้ท่านไม่ต้องสนใจเพราะเป็นเรื่องคำทางหลักวิชาในประธานอบทว่าปัจจิโยพึงทราบ ความเป็นอุปธรรมประกับปัจจัยเอาแค่นี้ก็แล้วกันนี่คือคือเป็นเรื่องหลักฐานาวิสุทธิมรรคได้อธิบายว่ากรณีของปัจจัยหลักปัจจัยรองอธิบายของการรู้ในสภาพหนึ่งแบบหนึ่งอย่างนี้ครับคือกิเลสและกรรมที่ทำให้เกิดนามรูปเป็นเหตุ คือปัจจัยหลักอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นต้นเป็นปัจจัยหลงตรงนี้นะสำคัญแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าพระพุทธศาสนาได้แสดงภูมิปัญญาตรงนี้เอาไว้มากยกตัวยอย่างการณีอย่างคนเป็นโรคเนี่ยหรือน้ำท่วมทั่วโลกนี้อย่างเมืองไทย62จังหวัดแล้ว กรุงเทพก็ร้อนไม่ร้อนไม่รู้มันเหตุเฉพาะหน้ามันมีอธิบายปเป็นวิทยาศาสกระดับเออตอนนี้อากาศมันร้อนจัด อ, อ่น้ําแข็งมันละลายลงมาละลายตัวก็ไหลเป็นน้ําก็เลยเยอะน้ำแข็งน้อยน้ําเหลวเยอะถ้าน้ําแข็งเยอะก็น้ําเหลวน้อยเรากลัวน้ําเหลวไม่เคยกลัวน้ําแข็งแต่เราทําเหตุทําให้น้ํามันเหลวมันก็นก็ตัวนี้คือไอไอไอไวงวงกลมของมันที่เป็นผลปรากฏ แต่ว่าทางพุทธศาสนานั้นอธิบายเป็นเหตุลึกในพระสูรก็มีเลยทีเดียวว่าไอความวิปริตผิดภัยพิบัติในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสของมนุษย์บางแห่งว่ากัมนมาเป็นตับๆเลยค่ะว่าจากชนชั้นปกครองไล่ลงมาจนถึงชนชั้นต่ำว่าทําให้เกิดอะไรบ้างและทําให้เกิดโลกได้จากอะไรเป็นต่อๆกันมาอย่างนี้แล้วก็ไอระยะที่กิเลสของมนุษย์ในโลก อิเลตไหนแรงไอ้อภัยทางไหนความทุกข์เรื่องไหนจะมากเกิดจะไปอะไรมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะพูดแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องลึกไปอ่าทีนี้อีกกรณีอย่างคนเป็นโรคเป็นโครคภัยไข้เจ็บทั้งหมอเขาก็แยบยลมากรู้่ะเราเป็นโรคอะไรอะไรเพราะอะไรยืนอยู่ๆก็น่ามืดวูบอะไรเงี้ยนะไอเราชาวบ้าน <c oughs> ไม่ได้เรียนหมอ ไม่ได้พิกชันสูตรโรคอย่างหมอก็บอกว่านี่ยตากแดดหน้ามืดยืนนะมากไปหน้ามืดแล้วเพัดอาที่ไหนได้หรอคไอบางคนก็มืดเฉยๆแล้วก็ไม่ตายบางคนตายมรณภาพะมันมีที่เป็นปลานะฮะมันมีเปลวเปลวมันไหลไปตามรางทีก็เรียกว่าคลสเตอรอลใช่ไมไหลไปตามกระแสเลือดแล้วมไปอุด ไอ้ลิ้นหัวใจมรณะภาพตายไปมีแล้วก็ตัวก็ไม่เคยไปหาหมอก็มีบางคนก็ไปหาหมอแล้วไม่ทันกินยาปราบางอ ง, งไปทำาศาสนาจิตแล้วเกิดผิดพลาดเรื่องอยู่ยาก็เลยแย่ไปบ า, บางคนก็เป็นกำลังป่วยอยู่นะก็มีอนี่อีกนี่เราเห็นว่ามันประหลาดเนีเราก็คิดในแง่กรรมนะอีกลายเนี่ยเป็นผู้หญิง นาสีนาเซียวมาไปโรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจโตแล้วโตไม่พอนะฮะไอโลหิตที่หัวใจมาสู่จีบเนี่ยมันมันแข็งฮะคเคยได้ยินไหมโลหิตแข็งมันไม่ได้มีมันมา อ, อะไรตัวแกก็ไม่ได้อ้วนท้วนมีมันมากมันแข็งแข็งก็เลยต้องไปหายากินแก้เลือดแข็งก็ไม่รู้มันแข็งแต่อาการมันออกมาใกล้ใก้กันเอาอย่างนี้มี ไอ้บางคนไม่ได้เป็นที่เลือดเป็นที่หลอดเลือดใช่มะอย่างที่พวกเราบางคนเป็นต้องไปทะลวงไปต้องไปเอาย้ายหลอดเลือดตรงนั้นมาใส่หลอดเลือดตรงหัวใจอะไรอย่างตัวมีสามอย่างเลยไม่ละใครทําให้เป็นโทษใครดีโทษใครดีรดเราก็คิดแบบ ทางมองเขาต้องพูดอย่างพิสูจน์ได้นะจะไปว่าก็แม่ก็พิสูจน์ได้ก็พิสูจน์มาลึกซึ้งยังไงก็เป็นบุญคุณตั้งหนแล้วแต่ทางธรรมะเนี่ยคนทําวิปัสสนาเนี่ยเอาอย่างเราเราพิสูจน์ได้เนี่ยเราจะรู้เลยจ้ะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาความรู้เราไปเที่ยวพูดเอาแพ้เอาชนะกับใครเรารู้เราก็แก้ช่วยเหลือตัวเองได้ว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรผมก็มีท่านก็มีขนาดนี้แล้วแก้ได้แล้วก็มี กำลังแก้อยู่ก็มีแล้วก็มันเริ่มจะมาให้แก้ก็มีอย่างผมไง น, นะผมก็มองออกเราก็เตรียมสู้ไว้ถ้าเราเรานึกว่าถ้าเราไม่รู้ธรรมะนี่เราคงแย่เพราะอะไรเพราะเราไปหาหมอแล้วหมอเป็นที่พึ่งเราไม่ได้แต่ว่าธรรมะบุญกุศลเป็นที่พึ่งได้นี่พิสูจน์กับตัวเราเองมาแล้วหมอเนี่ยเราไปที่ว่าเชี่ยวชาญไปมาแทบจะพูดได้เลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุลาเอ้ย มงกุฎเอ่ยต่างจังหวัดยังมีสระโรงพยาบาลพระพุทธบาทเอ่ยอะไรเอ่ยคลินิกเอ่ยช่วยเราไม่ได้เราไม่มีทางที่จะมายืนอยู่อย่างนี้ได้เลยนะว่าเราไม่ได้ธรรมะช่วยไม่แก่แบบธรรมะนะไอ้ยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนไปหรอกบางคนก็อาจจะได้เเอเรามันมีจิตากันทางนี้เราก็มาทางนี้หมอธรรมะก็อยากจะช่วยเรา ก็เลยไม่ให้หมอธรรมดาช่วยก็ได้แต่ว่าอาจออยกว่ายังไงแน่ๆคือเรามองเห็นอันนี้มองเห็นอันนี้ถึงขนาดว่าบางทีมันเห็นเหตุล่วงหน้ามาได้เป็นหลายๆแบบถ้าท่านจะสงสัยเหมือนอย่าที่ผมเคยสงสัยเมื่อเราวางเรื่องนี้มาอย่างมุมหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงกัอย่างนี้พอมาพบไอเหตุการณ์อย่างนี้ก็กลัวบางพวก เราก็มาคิดเอนั่นเป็นความรู้ของวิปัสนาเลยวิปัสนาลู่งี้เลยอ่ามันก็ชักจะขัดกันแล้วไอ้เรื่องนี้เราจะไปจับมืออาจารย์คนไหนดมลำบากแล้วเราก็มาอ่านคำภีเรารู้อ๋อไม่มีไม่ผิดนี่คือความรู้อย่างขั้นเบื้องต้นเลยครับที่จะต้องจะต้องรู้ในนี้พูดไว้เป็นแบบตั้งแต่ต้นขึ้นไปหารายรละเอียดแล้วคนทำเนี่ก็จะต้องรู้เพียงแต่ว่าถ้าบางคนมานสิกานมาก อย่างเช่นเราเรียนเรื่องกรรมเราใส่ใจเราก็รู้เรื่องพวกนี้ดีนะเพราะว่ามันอยู่ในความใส่ใจของเรามรดิการท่านี้นก็ออกมาโดยอัตโนมัติโดยเหมือนไม่ได้ตั้งใจมากบางคนก็มณดิการในมุมอื่นก็แล้วแต่คนจะมรดิการย่างไงไอข้อมูล น, นั้นจะออกมายานก็เอียงไปทางนั้นอ่าแล้วงั้นเราจะให้มรดิการยังไงเรานั่งคอแข็งอยู่เฉยไม่ต้องทํายานแข็งอะไรมาก็รู้ หรือจะให้มนตรีการเรื่องนี้นะ่ะจริงๆแล้วคนต้องเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละคนครับนะเอียงแต่มนตรีการให้ถูกเท่านั้นแหละไอ้ผิดถูกมันไม่ใช่ว่ามานตรีการเรื่องอะไรมนตรีการให้ถูกอย่างไรท่านั้นเองคือตรงนี้ไอ้อย่างนี้นะ่ะผมยืนยันได้ว่าผมไม่ได้พูดในเชิงอัตโนมัติเป็นหลักฐานที่เราอุ่นใจได้ว่าท่านพูดไว้อย่างอย่างนี้จริงๆอ่า จะว่าโดยลําดับสืบต่อไปเนี่ยนะอครา้นี้ก็เป็นอันว่าผ่านเรื่องปัจจัยหลักโดยความหมายกับปัจจัยรองไปตามลําดับผมก็จะก่อนจะผ่านอันนี้ไปถามสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่ท่านทํากรรมฐานด้วยวิธีใดๆเนี่ยแล้วก็มีการเสพเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยทําให้ท่านเห็นผลปรากฏอันใดอันหนึ่ง ได้จริงหรือไม่เช่นอาหารที่ท่านกินแต่ละมือ้อท่านเห็นผลของมันหรือไม่อากาศที่ร้อนที่หนาวแล้วก็เวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นท่านเห็นเหตุเห็นนิทธิพลของมันหรือไม่สภาวะจิตของท่านที่ท่านตั้งเจตนาไว้อย่างไรอย่างไรในแต่ละวัน ท่านเห็นอำนาจเห็นพลังเข้ามาหรือไม่หรือตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนไปเข้าเห็นหรือไม่ไอ๊ยนี่คือสิ่งตื้นๆท่านนึกอันนี้ในวิสุทธิมรรคพูดเลยว่ากรรมจิตอุตุอาหารที่มันมีปฏิยาต่อรูปของเราเนี่ยที่เห็นได้ก่อนอ่าที่เป็นเรื่องใกล้ๆ ก, ก็คือจิตอุตุอาหาร มันจะมีผลโดยเฉพาะวิปัสนาจารย์ในลาท่านแก้เราได้อย่างดีคือแก้ทางจิตเหตุทางจิตควบคุมทางนี้นะฮะควบคุมไอ้ความาการสร้างมรรคการอะไรๆเนี่ยแยบยนและบทอธิบายของธรรมะข้อนี้นะ่ะมันอยู่ในมือการปฏิบัติเราจิตเนี่ยนะมันอยู่ในตัวเราส่วนอุตุอาหารก็เป็นหลักของเสนาสะนะสัพพ า, ายะบ้างอุตุสัพพายะบางอาหารสัพพายะบางก็มีหลักบอกอยู่เยอะ เหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับการรักษาจิตถ้าใครนักอ่านพระไตรปิฎกผมพูดแค่นี้ท่านต้องร้องอ๋อและสว่างทันทีามากมายเหลือเกินข้อนี้แล้วก็อยู่ในมือของการบริหารของอาจารย์ถ้าเรามีความรู้เราก็บริหารตัวเองตรงนี้ที่นิกรรมเราก็บริหารได้บ้างไอกรรมปัจจุบันอะไรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ เชื่อไหมฮะว่าไอ้เกล็ดเรื่องการบริหารกรรมฐานได้กรรมของพุทธเจ้าก็มีไอ้บางคนบริหารไม่ไหวอย่างพวกอาพภะเนี่ยอ้าวแล้วพูดถึงตอนนี้แล้วก็เลยจะขอเอาเรื่องที่ทําท่าว่าจะไม่เล่าแล้วเกิดมีคนอยากรู้ผมก็อยากเล่าอยู่ด้วยก็ก็เลยเล่าเลยเรื่องพระโปรดทีละนะพระโปรดทีละที่แปลว่าพระไบลานเป่าเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อตัว พระโพธิละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกำหนดรู้ว่าท่านผู้นี้นะ่ะมีปัญญามากและมานะมากสองอย่างเป็นของมาด้วยกันท่านเป็นผู้ทรงปาพศมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอาดีตถึงห้าระองค์ผู้ง่ายว่าเป็นผู้ทรงคโนบุตรทางพระธรรมวินยัยแล้วก็เป็นผู้บรรยายผู้แสดง ธรรมะมาหลายชาติเป็นครูบาอาจารย์สืบต่อมาผ่านพระพุทธเจ้ามาห้าองค์นะพูดง่ายแสดงธรรมะของพุทธเจ้าเอาธรรมะพุทธเจ้ามาสแสดงให้คนฟังถึงห้าห้าเรียกว่าห้าลิขิ์แล้วห้าลิขิ์ยังไม่ได้บรรลุชักองค์อะ่ะไม่ได้บรรลุอริยกรุณาเลยพอมาถึงสมัยนี้ก่อนที่จะ ไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทาอะไรบางอย่างเนี่ยก็ยังไม่บรรลุนะที่ผมตั้งปันหาถามว่าทําไมถึงไม่บรรลุนะมันไอ้นี่มีก็ขอก็งอยเลือกไงถามก่อนเดี๋ยวเล่าทีหลังลว่าเล่าก่อนเดี๋ยวรู้ไม่ได้ใช้ความสามารถหนึ่งไม่บรรลุเพราะเป็นอาภพพระบุคคล คือเป็นพวกทาอนันติยกรรมหรือเป็นอาภัพะนะทาอนันติยกรรมกรรมอย่างนี้แก้ไม่ได้ครับถ้าใครไปทำแล้วก็ไม่มีทางบรรลุได้หรือปฏิสนธิเป็นติเหตุกะบุคคลถ้าเป็นทวิเหตเป็นออเหตุกะไม่มีปัญญาประกอบตั้งแต่เกิดบรรลุไม่ได้นี่เป็นเป็นต้นนะเรียกว่าอาภาพาัพะถามว่าท่านโปรดิีละไปฆ่าใครตายไหมพ่อแม่พราหลานอย่าง มีแต่สอนคนให้เป็นอราหันต์งอราหารันต์นายแล้วก็ไม่ใช่อภ ะ, ะ, ะมีปัญญามากเลยพี่เจ้าทรงยกย่องเลยนะแล้วก็กิเลสมันตามมาไม่ได้ระวังกิเลสมานะมากอ่นี่ข้อนี้ผ่านไปสองท่านเป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุหรืออธิมาณะหรือมานะท่านมีแต่ไม่ได้มีว่าอย่างนี้ ไม่ได้เอาอารหันต์เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มีอธิมานะต่อไปข้อสามเมาปริยัตตรงนี้หมายคก็ว่าเกิดมานะในปริยัตเขาเรียกว่าเมามันมีเยอะเป็นสิบสิบอย่างมีอยู่ข้อคือเมาในการศึกษาท่านไว้ผิดอยู่สองอย่างหลังคือเมาปริยัตสองอา่าต่อไปสี่เลยฮะสี่เปนหือเป็นข้อสี่ ประมาทประมาทเนี่ยหมายถึงดูเบาละเลยเอ่บางคนก็ไม่ได้เมาอ่ะเหมือนอย่างพระเ จ, จ้าตรัสว่าคนไม่ให้ทานเนี่ยมีสองพวกพวกหนึ่งขี้เหนียวจัดไม่ให้พวกที่สองไม่ได้ขี้เหนียวอะไรแล้วครับเงินก็พอจะมีให้วัตถุก็พอจะมีให้ทายก็พอมีไม่มีก็พอหาได้ไม่ยากแต่ประมาทประมาทได้คิดว่าโอ๊ยอย่างเราแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วให้เดี๋ยวก็ไหลามาเต็มมา ไปกงีใหญ่อย่างงี้นะหรือประมาทโอ๊ยเราสอนธรรมะแล้วไม่ต้องไปให้ทานแล้วกรถิ่นประปาไม่ต้องทอก็ได้หรือประมาทว่าโค๊ยฉันไม่ใช่มัสเนืงเอาเงินใส่ซองเทอาไหรกระินกะแกฉันจะทําทั้งตีต้องเป็นประธานเองเอย่างนี้ก็ประมาทแต่แต่ไม่ได้เป็นทัอยทีนะพูดแต่ว่าถึงจะเป็นก็ถือว่านั่นคือประมาทที่ไม่ทําตอนนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าประมาทดูเบาอ่าหรือบอกว่าคนเข้ามาชวนไปไป ทำศีลทำภาวนาแล้วว้ายัย้งไม่เป็นไรหรอกเร า, เรายังมีเวลาเอีกเยอะทำอย่างนี้ก่อนอะไรก็แล้วแต่จะคิดนะที่มันหมายถึงออกมาในรูปที่ทำให้เราเกิดความดูเบาไม่ใช่รูเบาเนี่คือไม่กระตือรือร้นจะทำท่านโปรดทีละนะเป็นสองอย่างนี้แต่อย่างสำคัญก็คือเมาในปริยัตมีมานะมากเพราะว่าท่านเป็นเทศดีปฏิพานดีความรู้ดี เวลาไปสู่ที่ปฏิบัติฝ้ า, าวุติญาณพอท่านโพธิละมาพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าใบลานเปล่าจงเข้ามาเถิดพอมาถึงที่ที่สมควรจะนั่งก็ตรัสว่าใบลานเปล่านั่งสิพอจะลากลับก็ใบลานเปล่าไปแล้วเลยเ <c oughs> อ้าบางทีเห็นพระโพธิละกําลังมาในระยะได้ยินท่านต้องกล่าวให้ได้ยินด้วยนะ พูดไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะว่าไปการเหมือนไปพูดยั่วยุให้พระรูปอื่นไปเกลียดท่านท่านก็บอกว่าภิกษุไบล้านเปล่ากลังมาไบาล้านเปล่าก็พูดให้ให้ได้ยินก็ได้ยินกันตั้งกู่พูดเใช้จนกระทั่งรู้สึกนะฮะคนเราเนี่ยบางทีพูดทีเดียวไม่รู้สึกแล้วคงท่านรู้จ้าท่านคงค่อยๆพยายามแล้วคงรู้จังหวะนะผมก็ไม่ดีต้องค่อยๆล ะ, ล, ะลายความคิดในที่สุดพระโปรดทีละ มานะผูกทำให้วันไหวทำลายก็คิดว่าเอเราจำจะต้องปฏิบัติแล้วก็ลาลูกสิธิ์เห็นว่าห้าร้อยนะก็ไปหานี่คนมีความรู้ก็ดีอย่างนะหาสำนักก็ไปได้วัดวัดหนึ่งมีพระอยู่สามสิบรูปแล้วมีเนนอยู่บ้างนิดหน่อยอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่ง ก็เข้าไปเลยมองดูแล้ววพระในวัดนี้ดีแน่แล้วก็จริงๆท่านเป็นอรหันกันหมดเลยนะพระสามสิบลูกเป็นพระอรหันหมดเนนจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีอยู่องค์เป็นแน่องค์ที่เจ้าอาวาสทรงมติรมานพระปณิละเนี่ยพอท่านเข้าไปก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสก็ไปขอว่า ท่านผู้เจริญท่านสัตว์ตำรุจผมขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งของผมคำว่าเป็นที่พึ่งหมายถึงต้องการจะได้ที่พึ่งช่วยให้ได้บรรลุธรรมสอนกรรมฐ า, านพร ะ, จะเจ้าว่าท่านเป็นอหรหันต์แ ล, ล้วรู้เนี่ยวันมานะมากก็ไม่ใช่เล่นตัวหรอกครับนี่เรียเป็นวิธีทรมาแล้วก็อาจจะเห็นว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวนัยยากตั้งแต่ละคนคนที่รู้เขาจะไม่ต่กลุ่มตะกรามอยากได้ลุกพิดษจนไม่ ว่าไม่คิดถึงผลได้ของคนนั้นก็ส่งไปนี่ถือเป็นการทรมานด้วยแทนที่จะส่งไปหาเนนเลยนะส่งไปสลองเจ้าอาวาสเนี่ยตำนองนี้ลองยิงเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นองค์ลองท่านก็บอกว่าผมสอนให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านมีความรู้มากแล้วก็คงจะไม่ฟังผมดีอท่านโปรธิละก็ซิดลงไปอีกสิดนี่คือมานะสิดนึกว่าตัวเองแน่ หน่อยจะมาไปลูกศิษย์ไอ้พี่สอนเขาตั้งเยอะแยะมาหาอาจารย์ทำยาตะคนหาไม่ได้ก็ถูกส่งไปด้วยเหตุผลอันเดียวกันท่านรู้กันพระอาหารหันต์พวกนัน้นองค์สุดท้ายก็บอกว่าไปหาเนนดีกว่าเนี่ยมีเนนซึ่งเป็นอาหารหันตะกี้นาศบอยู่องค์ก็ส่งไปที่สำนักของเนนนะพอมาถึงก็ไปปนมไปทำความเคารพเนนบอกเป็นที่พึ่งของผมด้วยเธอท่านสัต์บรุษ เนนก็บอกว่าอะไรกันท่านอย่ท่านพูดผิดหรือเปล่าผมเสียอีกควรจะพึ่งท่านด้วยธรรมะว่างนั้นท่านก็บอกเขาอธิบายไปตามอย่างที่ว่าผลที่สุดเนนก็ขอสัญญาว่าถ้าผมบอกอะไรสอนอะไรท่านจะฟังผมได้ดีได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าอย่าว่าแต่สั่งให้ สอนอย่างนี้เลยแม้แต่สั่งให้ลุยเข้าไปในกองไฟผมก็จะทําพูดถึงขนาดนั้นนะะอนี่ผมเล่าตามในกำบีปุ๋ยสุดถามว่าเนนจะสั่งให้เข้ากองไฟไหมไม่แล้วก็พูดไปงั้นแหละแต่เนนสั่งให้เดินลงไปในสะบอกว่ า, าวุท่านผู้จเจริญท่านจงเดินลงไปในสาทั้งชุดนี่แหละก็เดินลงไป ท่านก็เดินลงไปทันทีเลยจนกระทั่งชายจีวรเปียกเนรก็บอกเอาละพอแล้วผมจะเป็นที่พึ่งให้แกท่านก็มาให้กรมาฐานสอนและท่านก็เอาไปปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุจากจากเนนทีเดียวนะปฏิบัติอยู่ในที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าจะบรรลุได้ก็เพราะท่านเหมือนกัน ท่านจึงได้เสด็จมาด้วยฤทธิ์มาสู่ที่กรรมฐานของท่านโปุถีละแล้วก็สอนด้วยข้อธรรมในทางปฏิบัติท่านโปุถีละก็บรรลุเมื่อฟังธรร ม, มเทศนานั้นจบก็เป็นอารหันต์จริงๆที่อ่าทรงพระไตรปิฎกจริงๆด้วยส่งปาปุทจริงๆด้วยนี่คือเรื่องของพระโปุถีละทา น, น, นึงบอกว่า ไอ้ความดีแต่ละอย่างเนี่ยเราได้ความดีแล้วต้องระวังมันมีกิเลสบางอย่างที่เป็นตัวหลักตามมาความดีบางอย่างเป็นของกิเลสหลักอะไรแล้วก็กิเลสรองตามมาทุกตัวเลยครัอย่างเช่นศรัทธาก็เป็นของโมหะพรุ่งนี้จะพูดมีทําแบนภูมิไปด้วยแล้วก็วิริยะก็เป็นของความปรุงสัน้นวิริยะมากนะ สมาธิก in ็เป็นของความขี้เกียจไปทำสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เป็นของมานะคนมีคนมีศรัทธาจัดใน่มีไหมที่มีมานะแม้ศรัทธาหลวงพ่อคูณแล้วเกินแล้วก็เดินเตะเข้าวัดหลวงพ่อคูณนั่งยองๆตัวเองก็นั่งเก้าอี้ก็คงไม่ทำอย่างนั้น ถ้าเข้าไปยังไม่มีศรัทธาโดยปราศลาลความวิเศษของโซนก็เข้าไปยังมีมานะได้ขอเล่าต่อเอาพูดต่อถึงในอีกจุดหนึงต่อไปก็เห็นจ ะ, จะต้องย้ำอีกนิดนึงอีกเหมือนกันว่าอที่ว่ารู้ปัจจัยหลักปัจจัยร อ, องเมื่อกี้ปัจจัยใกล้ๆเราจะรู้ก่อนแล้วก็รู้กรรมกรรมใช่ไหมที่เป็นปัจจัยของตัวเราต่างๆเนี่ยมันเพราะอะไรยังไง ถึงบางคนรู้ถึงกับว่าเราทํากรรมฐานไม่ได้ผลเนี่ยเพราะกรรมอะไรนะเพราะกรรมอะไรมันขวางเช่นเคยไปไปบริพาทว่าดูถูกเขาไว้หรือไม่ถ้าถ้าไม่ได้เรียนในโอกาสจะเสีเยใจก็ยากถ้าได้เรียนก็รู้อย่าง ย, าง ย, างยางตัวอย่างที่ถ้าเล่าไว้ในวิสุทธิมรรคไปว่าไปดูถูกเขาไว้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นบาปขวางตัวเองอยู่กั้นนะเพราะฉะนั้นผมถึงใช้อยู่ เป็นประจําอันหนึ่งแล้วก็ได้เคยแนะไว้ด้วยว่าเวลาเราจะไปเนี่ยเราต้องทําบุญอุทิศให้กับคนที่เราทั้งว่าเีนะ่ยน่ะเกิดไปว่าไปดูถูกโดยกลงโดยอ้อมไว้ไงเนี่ยเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็แล้วแต่หรือมันรู้ตอนนั้นมันหน้ามืดขึ้นมากีเดชเนี่ยไปเผื่อพลังเข้าเราก็อาจเป็นไปได้หรืออครูบาอาจารย์เราก็ทําบุญอุทิศให้ขอพึ่งพาใบบุญบา ร, รมีท่าน ใครที่เราเคยเกิดกูลอะไรครับก็ขอได้มาทำบุญที่ให้ทั้งคู่ขอสมาด้วยแล้วก็ไปทำจะได้ไม่ขวางเราอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ไอชาติปางก่อนเราไม่รู้เราก็เราก็ได้แค่นึกนเอามันไม่ชัดเจนแต่บางทีชาติเนี่ยชัดเจนเราก็ทําแล้วแล้วก็ไอกรรมที่มันเป็นร้อยบาทที่มันเป็นอุปสรรคบางทีมันไม่ใช่โดยตรงนะแต่มันเป็นอุปสรรคว่าเราไปทําำมีสมมติว่าคนคนเป็นฝี สมมติเงี้ย น, นะไปทำบาปอะไรเป็นฝีไม่ใช่ฝีธรรมดามันไม่ได้ขวางใจแต่มันขวางที่ไปนั่งกรรมฐานก็นั่งไม่ได้คนเป็นฤๅษีดวงอะไรเงี้ยต้องทําบอ ก, กรรมฐานให้มีรูตองกลางถึงจะนั่งได้มันก็ต้องแก้ไขใช้กรรมแก้กรรมนอกเหนือไปจากการแก้โดยอาสนะที่เป็นสรัพยะยะอันนี้เราก็พยายามดู เท่าที่จะทำได้ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านลึกซึ้งท่านก็จะบอกเราได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพอไปทำแล้วเราก็จะเห็นกรรมของนามของรูปทั้งดีทั้งบดีมออกมาความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้เรื่องนะจะ อ, อธิบายอยู่เหมือนกันต่อไปครับต่อไปคือรู้เหตุปัจจัยเฉพาะตัวและเหตุปัจจัยร่วมกันของนามรูปทั้งหลาย โดยรู้เหตุปัจจัยเฉพาะตัวก่อนอันนี้แหละเราทํายานที่หนึ่งเนี่ยเราคุ้นเคยไอ้เรื่องเฉพาะตัวของของนามและรูปมาแล้วว่าใกล้ๆะนะเราอะไรอะไรแต่ว่าเหตุเกิดนามรูปเนี่ยนามหนึ่งรูปหนึ่งเกิดจากเหตุหลายอย่างอันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เหตุเดียวแล้วก็เหตุใกล้ก็มีเหตุกล้เหตุใกล้เหตุใกล้ก็หลายอย่างและเหตุที่ท่านยกขึ้นมาไว้เป็นปัจจุปัฏฐ เป็นประทัดฐานนังของนามรูปแต่ละอย่างในรูปวรมัตต์ในเจตสิกวรมัตต์ในรูปวรมัตต์นั้นกรณีหนึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่นั้นน่ะแล้วก็ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปนึกเลือกว่าจะต้องรู้อันนั้นอันนี้ก็กําหนดไปแล้วจะค่อยๆ อ, ออกมาเป็นเหตุหลายอย่างนั้นถึงบอกว่าผลอันหนึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดจากเหตุอย่างหนึ่งและก็เหตุมีอายุใกล้อายุไกลแตกต่างกัน แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก่อนก็คือเหตุปัดใจในลักษณะใกล้ๆท่านยกตัวอย่างค่อนข้างจะง่ายว่าอย่างคนกำหนดรู้เหตุเนี่ยเหตุรวมของรูปเหตุเฉพาะนี่ท่านใช้คาว่าอสาธรณะเหตุคือเป็นในที่นี้นะ ใช้คำว่าอาสาธารณะเหตุอาสาธารณะแปลว่าไม่สาธารณะแก่นามอื่นรูปอื่นอีกอย่างหนึ่งคือสาธารณะเหตุเป็นเหตุที่สาธารณะแก่รูปนามมากบางน้อยบางต่างกันมันจะมีเป็นสองกรณีนี้งนั้นเราจะเห็นอาสาธารณะก่อนแล้วก็ค่อยๆเห็นเหตุอื่นๆซึ่งไอเหตุอื่นๆของนามรูปอันเดียวเนี่ยบางทีก็เป็นเหตุ เกิดแก่รูปอื่นได้แล้วก็เห็นรูปเห็นเหตุร่วมกันของรูปของนามทั้งหลายที่ผมกําลังจะยกตัวอย่างอย่างที่จยกตัวอย่างไว้นี่ว่าผู้ปฏิบัติเมื่อกําหนดเหตุของรูปอย่างร่วมกันก็นึกว่ารูปนี้เกิดจากอะไรท่านก็บอกว่าเหตุที่เห็นได้จากในชาตินี้ที่เป็นเหตุเกิดเกิดจากไหนถามว่าตัวเรานี่เกิดจากไหน ท่านพูดไว้เหมือนเรื่องคิดเอาแต่ว่าไม่ใช่คิดอันนี้ท่านไม่ได้พูดในเชิงคิดแต่อธิบายเหมือนอย่างคิดเอาว่าเราเนี่ยเกิดจากบิดามารดาเป็นเหตุเกิดนี่เป็นเหตุใกล้ๆนะเหตุอย่างพื้นๆนี่คือที่มาที่ทำให้เราเกิดเป็นเหตุเป็นเหตุหตลักอย่างไกลๆเหตุอย่างตื่นตื <c> ่น <oughs> เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ในวิปัสนาญาณพระไตรปิฎกเล่มเก้าหลายที่เดียกันว่าวิปัสนาญาณนาว่าเราเนี่ยเกิดจากพ่อแม่เกิดจากในท้องของมารดามีพ่อแม่ทําให้เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นด้วย <c oughs> อุปถรมประกาปัจจัยคือขนมขนมสดขนมแห้ง อาหารการโดยพกต่างๆจเจริญเติบโตขึ้นมานี่ก็เป็นกระแสะเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้ความคิดอย่างนี้นะ่ะผมจำเป็นจะต้องเทียบให้ฟังเพื่อให้เข้าใจว่าท่านไม่ได้มุ่งเอาคิดเอาได้คิดอย่างนี้ใครก็คิดได้ถูกไหมละ่ะนอกจากคิดได้เรียไปพิสูจน์ไปดูอะไรตามความรู้สมัยนี้ได้ซื้อวิดีโอมาก็ได้แต่ว่าคนได้วิปัสสนานะเขาคิดคานึงเห็นอย่าง ลึกซึ้งและจับใจเหมือนอย่างว่าอค่าในทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เราพยายามพูดในเชิงค่าความรู้ค่าที่ได้ในเชิงความรู้อเราระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ความจริงเนี่ยเรียนจริยธรรมมาอ่านหนังสือนังหาเกี่ยวเรื่องตอง่างๆก็ื่อกลัมานานถูกไหม ถ้าถามว่าถ้าคนเคยปฏิบัติกรรมฐานแล้วมนได้ความรู้สึกอย่างนี้ในการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถ้าให้อธิบายเหตุผลก็ไม่เหมือนกันถ้าคนนั้นสามารถจะพูดเป็นนักบัญญัยายได้เนี่ยแล้วบางทีมันลามไปถึงอย่างนี้ <c oughs> เหมือนอย่างอันนี้ถือไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมเป็นตัวอย่างของผมเองไม่ใช่งั้นนะอธิบายเป็นตัวอย่างอย่างท่านพูดในที่สั่ ในในคําสอนเนี่ยลามไปถึงคนอื่นที่แม่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ให้บริการแม้แต่คนใส่บาตรขอโทษเถอะไอ้อตรงนี้ไม่ต้องขอโทษก็ได้ว่าแม้แต่วัตถุปัจจัยต่างๆเขาเรียกว่าเป็นคนเขารบสิ่งแวดล้อมนะฮะพูดภาษาสมัยใหม่เขารบสิ่งแวดล้อม ใช้อะไรทําอะไรเนี่ยเขาลบเห็นเป็นบุญคุณเหมือนอย่างโบราณสอนว่าหนังสือนี่ไปนั่งทับผมเป็นเด็กเนี่ยข้าวเนี่ยห้ามเหยียบเข้าสุกเขาเสรกนี่เหยียบไม่ได้เลยมันติดนิสยันยไปจนถึงนี้พอรู้สึกว่เหยียบข้าวเขเนี่ยเรารู้สึกมันไม่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าลาคาลน่ะไอ้ลำคาลนันหนึ่งแต่รู้สึกเอไม่ดีเราไปเหยียบข้าวพ่อแม่บอกว่าเหยียบข้าวแล้วมันจะไม่มีข้าวกินสอนเรากันนะ่ะ เราก็เลยติดความรู้สึกมาเออก็ดูดีเหมือนกันอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดจากภูมิปฏิบัติแต่คนปฏิบัติจะมีความรู้สึกกระตันอยู่เนี่ยความรู้บุญคุณของแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตก็มีความรู้สึกทราบซึ้งอย่างนี้ <c oughs> อันนีมน้มันมาคู่กันนะคือผลทางความรู้กับผลทางการตีฆ่ามันไม่ได้มานเดียวแต่ตรงนี้ท่านเอาผลทางความรู้ออกหน้าผลทางการตีฆ่าเอาไปไว้เป็นยะนยนันสูงๆงขึ้นไป มันจะออกหน้าเพราะว่าไอ้ในขั้นนี้นะความรู้ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องได้ก่อนเป็นเป็นอธิการไอ้เรื่องค่าทางจริยธรรมนั้นมันก็ได้แต่ยังไม่เป็นอธิการในตอนนี้นี่กรณีนะคือทางร่างกายที่ผลที่เห็นใกล้ๆแล้วก็อเหตุที่เกิดขึ้นในทางลึกก็คือกรรมคือกรรม แล้วก็ไอ้ร่างกายของเราส่วนใดเป็นอย่างไรอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติท่านก็รู้เหมือนอย่างเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยท่านรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมไอ้อย่างเราเนี่ยก็แค่นึกปลอบปลอบใจเอาว่ะ เออนี่เป็นกรรมของเราเราจะใช้วิธีตนเอานะที่นี้เรามาคิดเดี๋ว่าถ้าเราเห็นอย่างประจักษ์ใจขึ้นมาเนี่ยรู้อย่างประจักษ์ใจขึ้นมาเนี่ยเราไปทําเขาไว้แไม่รับผิดชอบไหยความรู้สึกไม่รับผิดชอบชอบเราจะแรงไหมเราไปทําเขาไว้เห็นอย่างประจักษ์ใจเลยว่าโอ้อนี่เราไปทําเขาไว้เรามาทํากรรมฐานแล้วของเนียอุตสาห์หาย ฟังแล้วผมก็คกยังนึกอัศจรรย์ใจอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ครับนี่ยังไม่เคยเล่าก็ขอเล่าหน่อยเรื่องในพรมหาผมก็แปลกใจเหลือเกินว่าสำนักปฏิบัติใหญ่ๆอย่างมหาศีสยาดอมีรั้วรอบขอบชิดแล้วรั้วยังไม่พอนะครับยังมีแก้วแตกขวาแตกทุก ป, ปัก เลียงแบบบ้านที่เราเห็นในบ้านเราแล้วยังไม่พอครับยังมีขนลวดหนามวนมวนๆนวนวนลอบแล้วยังไม่พอมีตาขององไงลูกศรเชีย่ยกผมก็ถามพระท่านบอกว่าเอ๊ะนี่ทำไมติดทำไมกันล่ะเนี่ยขนาดบ้านผมไม่ใช่สำนักกมยังไม่มีรั้วเลยประตูกูไม่มี มือที่ไอ้ปิดประตูไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใสกลงใสกอนแล้วก็ใส่ไว้งั้นแหละไอ้บางบางแห่งที่มีประตูนะทั้งไม่ซึ่งทาอย่างนี้พระท่านก็บอกว่ามันมีไอ้พวกขโมยเข้าไปขโมยของแม่ชีบ้างของคนปฏิบัติลมเริ่มอะไรมันก็เอาเข้าไปขโมยเพราว่าสำนักนะ่ะนสำนักใหญ่ใหญ่เนี่ยก็มีไอ้คนวิชาตากรมต่างกันนะมาของหายก็เสียชื่อสำนักนั่นแหละเลพราะว่า พระดีเนมาคุ้มครองคนคนบางคนพอได้คนบางคนเนี่ยมันแหมกิเลส ย, ยังละให้เขาอย่างละได้ไม่เท่ากันเลยทีไปเอาไปชำระกรรมแก้กรรมก็ได้หมดได้ไงอย่างนั้นล้วมันก็ต้องทํากันไว้ไม่ให้เสียชื่อสานักถ้าเราพยายามดีก็อกรรมของคนนั้นก็ได้ช่องน้อยหน่อยนะทาไมพยายามป้องกนันงี้มันก็ไปเปิดช่องว่างมันก็เลยกลายเป็นช่องให้ของของคนบางคนเขาหายถ้าเราไป ปฏิบัติอะไรที่นั่นเนี่ยเขาจะเตือนให้เราแล้วก็เราก็ถึงไม่แปลกนะว่าในวินัยอ่ะไม่ใช่ในายวินายนายพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทให้พระเนี่ยระวังนี่ถือเป็นการเคารพของที่โยมเขาให้มาด้วยแล้วก็ปลา่าคนอื่นอย่าได้มาทําบาปแล้วก็หัดให้เป็นคนรอบขอบด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ข้าวของอะไรเนี่ยเก็บงําดิ่งเป็นของส่วนรมนี่ไม่ได้ต้องระวัง ใครเอาไปชงไปใช้ต้องเก็บให้เข้าทีปิดประตรงปิดประตูอันนี้เราก็ถึงบอกเออไอของเราเนี่ยพอมาทำมะแกละแก่กล้าบางทีอวดวิเศษนะปวดวิเศษหนอยฉันมีพระดีฉันมีกระถาดีฉันผ่านกรรมฐ า, านมาเจ็ดหนแล้วและแต่จะอวดดีนี่ผมยกตัวอย่างนี่ไม่จริงจังอะไรนะแต่พระพุทธเจ้าท่านกลับอย่างนั้นถือว่าเป็นการ อ, อนุเคราะห์ดูแลกัน ทนี้ไอ้วิธีการรักษาเนี่ยถ้าเรามีเครื่องรักษาเป็นอย่างในทางกายภาพก็ทําไปอย่างนั้นมีทางนามธรรมาเราก็ใช้วิธีทางนามธรำมันก็ถือเป็นการรักษาอันหนึง่งให้ตามความเหมาะสมและตามความเป็นไปพวกนี้มันจะค่อยๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาในความรับรู้ของเราในเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตเอาแค่ในชาตินี้ก่อนมันมีชาติมานแค่ชาติก่อนแล้วชาตินา น, านด้วยเอ้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสงสัยแล้วว่าเอ้รู้อย่างไหน รู้อย่างไรนะครับเราพูดถึงประเด็นถัดไปซะก่อนว่ารู้ปัใจจัยใกล้ตัวและปัใจจัยไกลตัวมันก็ใกล้ในขอบเขตชาตินี้แล้วก็ชาตินี้ก็มีใกล้ไกลแตกต่างกันแล้วก็ปัใจจัยไกลตัวก็ไกลในชาตินี้ที่มันใกล้กว่าปัจจัยชาตินี้ที่ใกล้กว่าแล้วก็ไกลเลยไปถึงชาติปางก่อนนี่แทงไปลึกมาก ถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่ารู้ได้อย่างไรนะก็สงสัยก่อนนะฮะเดี๋ยวจะผมจะว่ายฟังและอีกข้อหนึ่งรู้เหตุปัจจัยตื้นหยาบและเหตุปัจจัยลึกละเอียดของนามของรูปโดยรู้เหตุปัจจัยตื้นและหยาบก่อนนะอันนี้นะอย่ารังเกียจถือว่าเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องรู้จากหยาบให้ชัดแล้วก็เมื่อรู้หยาบแล้วก็จะค่อยๆรู้ละเอียด ลึกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเป็นลําดับธรรมดาของมันเองปริยัตปริยับปฏิบัติเหมือนกันทีนี้ในทั้งหมดเหล่านี้ความจริงมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ายัางอ่าใกล้ตัวตื้นหยาบก็มีแล้วก็ไกลตัวตื้นหยาบก็มีเป็นระดับระดับเทียบกันต่อไปอีกนะผมไม่ประสงค์อยากทําให้มันเป็นนัยยะสลับซับซ้อนมากนักก็เลยพูดแค่นี้ ผ่านตรงนี้ไปก่อนค้านี้จะมาอธิบายเป็นเชิงข้ามฉาดอธิบายในเชิงข้ามฉาิคือาการรู้เหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยเนี่ยมันมีอัตถา